เรื่องเบื้องต้นที่สุดของศาสนาเหมือนเทตมาว่าเมื่อกี้เนี่ยโนเฮตัง no พันเตไม่ใช่ตัวตนพระเจ้าข้าเมื่อก่อนมีคำหนึ่งที่เขาเอามาพูดกันอะไรนะใดๆล้วนไม่ใช่เราแต่อตาหิอัตโนนาโถตนดันเป็นที่พึ่งแห่งตนอ้าว <laughs> เหมือนมันจะขัดกันไปขัดกันมา ทำหลายอย่างมันเป็นว่ากันกล่าวโดยปรมัตถ์โดยที่แท้แล้วเมื่อเลาะ ก, กาบของความเป็นเราออกมันจะเหมือนบทอนตัตตะนาคณสูตรในบทพระรัตนาคณสูตรเป็นสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงในวันที่สองวันแรกพระพุทธเจ้าเดินจาริกไปไปจนเจอพระปัญจวัคคีย์ท่านแสดงเรื่องธรรมจักรธรรมจักรเป็นเหมือนแผนที่เป็นเหมือนแผนภูม ทางทิศทางวิธีคิดทางความเข้าใจต่อกระบวนการที่ว่าด้วยเรื่องธรรมชาติทั้งหลายเพราะว่าเดิมทีนะเดิมทีที่เป็นพื้นเพความเข้าใจทั้งหมดของชมพูตวีปและทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่มนุษย์โลกทั้งหมดจะคุ้นชินกับกันทำอะไรบางอย่างต้องการบางอย่างทำบางอย่างเพื่อให้เกิดผลบางอย่าง ชุดคิดนี้เป็นชุดคิดที่เป็นทั้งหมดเลยตั้งแต่อดีตการตั้งแต่ก่อนหน้ามีพุทธเจ้าจนถึงมีพุทธเจ้าและหลังจากมีพุทธเจ้าชุดคิดนี้ก็ยังเป็นชุดคิดของทั่วไปทั้งหมดในโลกนี้มีหลายศาสนาที่กล่าวถึงเดิมทีในยุคนั้นก็มีศาสนามิลติที่กล่าวถึงว่าอมีพระเจ้ามีสิ่งหนึ่งธรรมอ้อนวอนขอ เพื่อให้เราเพื่อให้สิ่งหนึ่งไปเป็นสิ่งหนึ่งนั่นเป็นความเข้าใจพื้นฐานพื้นฐานของสามัญชนทั่วๆไปที่ในยุคนั้นมีชุดคิดแบบนี้แม้กระทั่งชุดคิดในวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนะใครทีเ่เรียนวิทยาศาสตร์ไม่มีเนาะแต่เรื่องนีบง้บางทีก็ต้องเปรียบเทียบชุดคิดแบบวิทยาศาสตร์ชุดคิดหนึ่งไอ้เรื่องเนี้ยถ้าเปรียบเทียบไม่เห็นชุดคิดง่ายมันจะเหมือนการแพทย์ เหมือนการแพทย์ผู้ยม น, น่าจะเห็นการแพทย์สมัยโบราณเราเนาะหรือว่าการแพทย์แผนตะวันออกทั้งหลายที่เป็นยาต้มเป็นยาหม้อเป็นชุดแผนของโบราณนี่คือชุดคิดหนึ่งที่ตรงข้ามกับชุดคิดแบบการแพทย์แผนปัจจุบันอย่างสมมติเราเป็นโรคมะเร็งอย่างนี้วิธีคิดของวิทยาศาสตรวิธีคิดของวิทยาการมนุษย์ปัจจุบันวิธีคิดของการแพทย์ปัจจุบัน เขาจะหาต้นต่อเขาจะหาเชื้อโรคนั้นแล้วตัดมันทิ้งซะหรือไม่ก็ฉายรังสีเ ข, ข้าไปฆ่ามันซะมันเป็นจุดคิดของสิ่งหนึ่งการทาต่อสิ่งหนึ่งแต่พอเป็นการแพทย์สมัยโบราณถ้าคุณเป็นมะเร็งหรือว่าอเป็นโรคกระเพาะอย่างเนี้ยังโรคกระเพาะเขาจะดูว่าสมุดฐานของคุณร่างกายของคุณดินน้ําลมไฟธาตุทั้งหลายของคุณเป็นยังไงบ้าง คุณเป็นธาตุลมคุณเป็นธาตุน้ำธาตุไฟน้อยเกินไปเขาก็จะจัดยาให้ประเภทธาตุไฟเติมเข้าไปอะไรที่มันเกินไปเขาก็จะเอาธาตุนั้นออกเพื่อปรับสมดุลของธาตุพวกเราที่อยู่กับหลวงพ่อมหาหลวงพ่อมหาแนะนําเราเรื่องเราเนี้ยทั้งโยคะทั้งการดูแลศาสตร์ของร่างกายทั้งหลายอันนี้เป็นชุดคิดของแพทย์แผนโบราณ ที่เป็นชุดคิดที่การเข้าถึงชุดคิดแบบนี้มันเกิดมาจากความเข้าใจในธรรมชาติทั้งหลายชุดจุดแผนไพ่พวกชุดคิดแบบนี้นะของการแพทย์พวกนี้ยเขามีมาตั้งแต่สมัยโบราณที่เขาเข้าใจว่าธรรมชาติทั้งหลายต้องปรับสมดุลยังไงในอินเดียหรือว่าในยุคก่อนๆ ก, ก, ก็มีชุดความคิดเหล่านี้อยู่แล้วแต่พอไปทําเรื่องภาวนาเขาก็เกิดการทําให้จิตเป็นบางอย่าง งนนั้แต่ชุดคิดนี้เป็นหนึ่งในชุดคิดที่มีอยู่ในยุคของพุทธการคือการปรับสมดุลของธรรมชาติทั้งหลายเพราะฉะนั้นโยคะโยคีแพทยแผนโบราณหรือว่าอะไรทั้งหลายที่เราใช้กันเนี่ยมัสสาทั้งหลายในยุคปัจจุบันเนี่ยล้วนเกิดมาจากพวกโยคะโยคีที่เข้าใจกระบวนการของธรรมชาติระดับหนึ่งแล้วแต่พอเป็นการแพทย์ปัจจุบันมันกลายเป็นวิทยาศาสตร์ที่เกิดจากการเห็นสิ่งหนึ่งที่มันไม่ถูกเขาก็เอาออกทันทีจัดการทันทีในสิ่งนั้นโดยที่ เอายาเข้ามาทีหลังปรับสมดุลทีหลังมันมีข้อดีแล้วก็เสียไปพร้อมๆกันอันนี้จะมายกตัวอย่างให้เห็นถึงวิธีคิดพอเป็นวอิอย่างในธรรมจกักรที่เราสวดเมื่อวานธรรมจักรแสดงถึงว่าธรรมชาติทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอยู่เช่นนั้นสิ่งที่ไม่ควรทำสองสิ่งคือการบังคับกายให้ไปเป็นสิ่งหนึ่งอีกภาคหนึ่งบังคับใจให้ไปเป็นบางอย่าง แม้กระทั่งไม่ให้มันเป็นอะไรแม้กระทั่งไม่ให้มันเป็นอะไรนะแม้กระทั่งสร้างจิตให้มีสติอั น, นี้ลงกับสิ่งที่เราทํานะเดี๋ยวจะไล่เรื่องการวางอารมณ์ให้ฟังเราเคลื่อนไหวจิตแล้วบังคับให้จิตอยู่กับกายเนี่ยไอเ น, นี่ยเป็นการบังคับนี่คือสาเหตุพอวันที่สองวันแรกพระอัญญาโกฏัญญะท่านัญญาโกฏัญญาท่านได้ดวงตาเห็นธรรม ท่านว่ า, ายังกินจิสมุทญาธรรมังนิพพะตันจะสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมันก็ดับไปโดยธรรมชาติของมันนี่ใช่ไหมพระเจ้าข้าโอ้อัญญาโกตัญญะได้รู้แล้วหนอท่านไม่ได้เข้าใจอะไรเยอะแยะนะเข้าใจแค่เนี้ยคือเข้าใจว่าธรรมชาติทั้งหลายเราเนี่ยอ๋อมันเป็นธรรมชาติไม่ีอะไรเกิดขึ้นสิ่งนั้นจะแปลปวนดับไปเหมือนหลวงตาเกตท่านเทศนะ่ะ ไม่มีอะไรนิ่งเลยโดยที่แท้แล้วไม่มีอะไรที่อยู่นิ่งวิทยาศาสตร์เคยกล่าวเรื่องนิพานของฝ่ายลูกนิวิทยาการของความรู้มนุษย์ในฝั่ง น, นี้นะถ้าเราจับธาตุชนิดหนึ่งเอาไปแช่แข็งไว้ในอุณหภูมิที่ลบ247องศาธาตุนั้น จะเหลือแต่ความเย็นล้วนๆไม่มีความร้อนเจือปน้าตุนั้นจะไม่เกิดการแปลเปลี่ยนเหมือนเอาเราเนี่ยคนอนึ่งเนี่ยไปแช่ไว้ในอุณหภูมิลบสองร้อยสี่สิบเจ็ดองศาเราจะแข็งเดยอยู่อย่างเงี้ยความร้อนจะหายในอุณหภูมิขนาดนั้นความร้อนจะหายไปหมดสิน้นจะถามว่ามันมันยังเป็นนิพพานที่สุดไหมถ้าเมื่อใดที่มีความร้อนเข้าไปในด้านแม้แต่นิดเดียว มันก็ไม่นิ่งมันก็เกิดการเคลื่อนได้จิตเราทำให้จิตนิ่งที่สุดในผมชั้นท้า ย, ายในบทสวดของพาหงจะมีบทหนึ่งที่สวดเรื่องพรมเท้าประกาศพรมจิตท่านนิ่งแล้วก็เห็นการเคลื่อนก า, การเกิดการดับของจักรวาลมานานสุดท้ายพระเจ้าก็ว่าเพราะท่านเห็นนานไปต่างหากจริงๆแล้วไม่มีอะไรอยู่นิ่งหรอก ในการแก้ทิฏฐิที่เข้าใจผิดอย่างสุดซึ้งเพื่อให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วธรรมชาติทั้งหลายไม่มีอะไรเลยที่ยูนิง่งไม่มีอะไรเลยที่คงรูปอยู่เช่นนั้นไม่มีอะไรเลยที่เราจะทําให้สิ่งหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งได้อย่างถาวรเราไม่เจิตนาสร้างเหตุได้เพื่อให้สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเพื่อใช้ผลประโยชน์ของสิ่งนั้นเหมือนเราต้องการมะม่วงเราต้องการผลไม้เราสร้างเหตุในการปลูกผลไม้สิ่งนั้นได้แล้วเราก็จะได้ผลของมัน คือกระบวนการที่อิงอาศัยกันเป็นลูกโซ่เป็นทอดคือชุดคิดเหล่านี้แหละในบทวันที่สองพุทธเจ้าแสดงเรื่องวันแรกพระอัญญาโกญญะท่านได้ดวงตาเห็นดำคือเข้าใจความเป็นจริงแล้วอีกสี่รูปท่านก็ยังพิจารณาอยู่ในวันที่สองพุทธเจ้าแสดงนัยยะที่ลึกซึ้งลงไปอีกลึกซึ้งลงไปที่ว่าเจาะโดยความเป็นเราทีเนี้ยอนัตตากนัสสุนี้เจาะความเป็นเรา แยกชิ้นส่วนแยกชิ้นส่วนของความเป็นเราออกในวันแรกเป็นแผนภูมิที่กว้างมากถ้าธรรมชาติทั้งหลายเหล่านั้นไม่บังคับกายไม่บังคับใจให้ไปเป็นสิ่งหนึ่งไม่บังคับให้อะไรเป็นอะไรแล้วทำยังไงหลักจะเกิดเป็น อ, องค์มรรคขึ้นมาอริยสัจในองค์มรรคพระ เ, เจ้าก็ไม่ได้บอกว่าให้ไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นะแต่พระ เ, เจ้าก็บอกว่าวิธีการกระบวนการสิ่งทั้งหลายเป็นทุกข์ ทุกมีเหตุเกิดเมื่อมีเหตุเกิดก็มีการดับทุกทุกก็ดับไปได้เพราะฉะนั้นมันมีกระบวนการวิธีการคือมักมีองแต่ทํายังไงที่จะให้ให้ธรรมชาติทั้งหลายเกิดสมดุลในการเรียนรู้ตัวเองสิทําให้ธรรมชาติทั้งหลายเกิดสมดุลในการเรียนรู้ตัวเองแยกแยะความความเป็นธรรมชาติทั้งหลายเหล่านั้นออกไม่แปะข้างใดข้างหนึ่งไม่แปะไม่จัดการสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ให้ธรรมชาติทั้งหลายเรียนรู้ตัวเอง มันจะเกิดเป็นที่มาของสติใช้ธรรมาชาติที่เรียกว่าสติอยู่ในนั้นในบทสติปัฏฐานสูตรทีนี้วันที่สองพุทธเจ้า ก, ก็เลยแยกแยะลงรายละเอียดลงไปอีกว่าความเป็นเราที่แท้จริงแล้วที่เรารู้สึกว่ามีเราอยู่คนหนึ่งเนี่ยมันมีกระบวนการประกอบกันเข้าอย่างนี้เหมือนพัดลมที่เราเห็นอย่างเนี้ยพัดลมคนทั่วไปก็จะรู้สึกว่าเป็นพัดลม เดบเจ้าแยกแยกพัดลมไหนออกจริงๆแล้วมันเป็นเหล็กที่ประกอบจากใบพัดมีพัดสติกมีสายไฟมีนั่นมีนี่ถอดชิ้นส่วนออกมาแต่ถอดโดยความเป็นเราพระเจ้าเลยบอกว่าลูกไม่ใช่ตัวตนเพราะว่าถ้าลูกมันเป็นตัวตนเราต้องบอกมันได้เราต้องจัดการมันได้เราต้องอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ลูกไม่ใช่ตัวตนสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาทั้งหลายที่รวมแล้วรู้สึกว่าเป็นเรา สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดรอบตัวเราจริงๆเกิดจากการประกอบปันเข้าทั้งนั้นเพราะถ้ามันเป็นเราได้เราจะให้มันเป็นอะไรก็ได้แต่เพราะเราให้มันเป็นอะไรไม่ได้มันจึงไม่ใช่เราโดยแท้จริงแล้วอ้าวดังนั้นแล้วความรู้สึกเป็นเรามาจากไหน <c oughs> ใช่ไหมความรู้สึกเป็นเรามาจากไหนไอ้ส่วนนี้ท่านเรียกว่าส่วนที่อยู่ท้ายบท ส่วนที่ของตันหาและอุปทานเมื่อได้ยินได้ฟังอย่างนี้ท้ายบทท่านจึงสรุปว่าเมื่อได้ยินได้ฟังอย่างนี้ผู้ที่มีปัญญาผู้ที่เห็นกระบวนการแล้วจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดยึดปล่อยวางการยึดถือปล่อยวางการยึดถือว่ามีเราอยู่จริงเมื่อนั้นจิตก็หลุดพ้นโอ้เอตังพันเตอย่างนั้นหรือพระเจ้าค่ะ ทำไมพวกเราก็ฟังแล้วสวดแล้วทำไมเราไม่เป็นเอตังพันเตยังเป็นโนเหตังพันเตอยู่เลยมันยังไม่เป็นอย่างพระทั้งหลายเพราะว่าตัวทิฏฐิของเราทิฏฐิคือความเข้าใจของจิตตัวทิฏฐินะสัมมาทิฏฐิในองค์มักยังยาบคือความเข้าใจของเราต่อกระบวนการธรรมชาติทั้งหลาย <c oughs> ตัวหนึ่งขณะที่เรากำลังทานี่แหละ ตัวนี้ลองลองสํารวจเรื่องนี้เรื่องการยกมือเนี่ยถ้าเราเคลื่อนไหวโดยการที่มีเรากระทํามีทําการเคลื่อนทําการมีสติการกระทําและการมีเรามันคืออัตตามันเริ่มต้นด้วยอัตตาเริ่มต้นด้วยการมีเราในธรรมชาติทั้งหลายถ้ามีเรามันผิดตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกเลยลองสังเกตดู ถ้ามันเป็นการเคลื่อนไหวของกายไปการเคลื่อนไหวธรรมชาติเราแค่มีเจตนามีเจตนามีเจตเจำนงที่จะให้จิตกลับมารับรู้ฝึกความคุ้นจินของจิตชนิดหนึ่งคือจิตที่เรียกจิตเข้าใจยากเราฝึกธรรมชาติชนิดหนึ่งที่เป็นจริงๆเรื่องสติเนี่ยธรรมชาติที่เรียนรู้ตัวเองตัว เ, วเนี้ยไม่ใช่ของพุทธเจ้าด้วยพราะพุทธเจ้าไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งใด มุตเจ้าแค่เข้าใจกระบวนการของธรรมชาติทั้งหลายอย่างสติที่เราฝึกที่เราฝึกเนี่ยมันเป็นเพียงธรรมชาติชนิดหนึ่งธรรมชาติที่มีลักษณะอาการเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้สิ่งที่กําลังเกิดโดยละเอียดลงไปนะมันเรียนรู้สิ่งที่ดับไปแล้วในตัวจิตนะ่ะมันจะเรียนรู้สิ่งที่เพิ่งหายไปเมื่อกี้อย่างเราละกายเป็นเห็นความคิดเห็นความโกรธแต่สิ่งนั้นเพิ่งหายไปแล้วสติก็เกิด โดยละเอียดซึ่งไม่จะเป็นตั้งกล่าวเตยลาเห็นกายมันเห็นลงปัจจุบันมากเลยกายมันอยู่อย่างนี้ธรรมชาติเรียนรู้ตัวเนี้มันก็จะเรียนรู้สิ่งที่กําลังเกิดเรื่องกำลังเกิดปัจจุบันในปฎิยัติเขาแยกไว้ละเอียดมากว่าปัจจุบันแท้ๆก็ไม่มีปัจจุบันแท้ๆไม่มีนะไม่มีสิ่งใดมีอยู่เลยแม้กระทั่งปัจจุบันปัจจุบันก็เป็นเพียงขณะต่อขณะต่อขณะต่อขณะโดยที่สุดแล้วมันเป็นแค่ขณะต่อขณะ เะฉนั้นสติมันก็เลยกลายเป็นธรรมชาติที่เกิดได้ทีละขณะขณะขณะขณะโดยธรรมชาติเท่านั้นเราเพียงใช้กายเป็นเครื่องมือใช้การเผอไม่คิดเป็นเครื่องมือฝึกธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มันมีอาการเรียนรู้ตัวเองให้ธรรมชาติตัวเนี้ยเขาได้เหตุเกิดบ่อยบ่อยการเคลื่อนไหวแบบเราเนี่ยแต่ถ้าเราเคลื่อนไหวโดยการบังคับไว้หรือมีเราเป็นคนเคลื่อน มีเราเป็นคนมีสติสร้างสติขึ้นมาไอ้นี่จะเป็นสติปลอมซึ่งมันจะขัดกับหลักบทสวดที่เราสวดทั้งหมดเลยสัมมาทิฏฐิจะผิดผิดตั้งแต่ตัวแรกเพราะว่ามีเราในนั้นสัมมาทิฏฐิผิดตั้งแต่ตัวแรกองค์มรรคไม่องค์มรรคไม่บริบูรณ์ไปได้ถ้าสัมมาทิฏฐิตัวแรกผิดเพราะฉะนั้นการเคลื่อนการไหวการเคลื่อนการไหวให้มันเป็นไปนโดยธรรมชาติ เราแค่เพิ่มเจตจํานงเพิ่มเจตนาในการที่จะชักจูงชักนําให้จิตเราเรียนรู้สิ่งที่เป็นเครื่องมือที่เราใช้เพื่อสร้างความคุ้นฉินนี่คือหลักก ว, กว้างหลักของงานภาวนาจริงๆเนะี่ยยิ่งเป็นบทสติหรือว่าแบบที่เราทําเนี่ยนะจริงๆเราจะมาสรุปมันได้สามสามอย่างเท่านั้นเองมันเดินแค่สามเก้าพอ โดยหลักการของมันนะย่อรวมกันนะ่ะมีสามเก้าตัว น, นั้นแหละหนึ่งคือเจตนาสร้างเจตนาสร้างความคุ้นชินไม่ใช่สร้างสตินะตัวนี้จําดีๆเลยเจตนาสร้างความคุ้นชินให้ธรรมชาติที่มันเรียนรู้ตัวเองเป็นเนี่ยได้เหตุทีทีได้เหตุเกิดทีทีที ท, ทีไม่ใช่ตลอดภาษามันซ้อนกัน ถ้าเราบอกว่ามีสติตอนเนื่องเราก็จะพยายามที่จะให้สติมันคงอยู่ดังนั้นก็แสดงว่าเราจัดการสติได้อย่างนั้นก็แสดงว่าเราจัดการธรรมชาติทั้งหลายได้ถ้าเราจัดการธรรมชาติทั้งหลายได้เราจะไปสร้างสติทําไมสร้างให้จิตสละกิเลสทั้งหมดโลภใช่ไหมเราไม่ต้องสร้างสติสร้างให้จิตพ้นทุกข์ไปโลภสร้างให้จิตวางตัณหารูปธานทั้งหลายซะเลย แต่เพราะมันทําไม่ได้เราจริงขั้นแรกสร้างความคุ้นชินใ้ธรรมชาติเรียนรู้ตัวเองตัวเนี้มันได้เหตุเกิดบ่อยเมื่อใดที่มันได้เหตุเกิดอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์มันเหมือนกับเราหัดเขียนกอไก่ตอนตอนครั้งแรกเขียนแรกๆยุกยิกยุกยิกแค่ลากเส้นมันยังเบี้ยวเลยเพอเราทําบ่อยเข้าเขียนบ่อยเข้ามันกลายเป็นทักษะกลายเป็นความคุ้นชินพอมันกลายเป็นความคุ้นชินทีเนี้มันก็จะได้เหตุเกิดเองโดยธรรมชาติ ที่เข้ามาสู่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในวิธีการเคลื่อนไหวของเรานะสติเบื้องต้นที่มีเจตนาเมื่อได้เหตุอย่างสมบูรณ์มากขึ้นมันจะกลายเป็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอะไรที่เราไม่ได้เจตนามันก็จะรับรู้ได้อย่างเราเดินไปโดยธรรมชาติเคลื่อนไหวไปโดยธรรมชาติจิตจะเริ่มรับรู้สิ่งอื่นๆในร่างกายที่เราไม่ได้เจตนาได้นี่คือการที่สติได้เหตุเกิดอย่างสมบูรณ์เป็นประเด็นที่สอง ประเด็นที่สองเมื่อสติธรรมชาติระลึกรู้ธรรมชาติเรียนรู้ตัวเองตัว เ, วเนี้ยเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เราเคยสังเกตไหมว่าพอเราออกไป็น่องรูปแบบส่วนใหญ่เป็นคนเก่าเนาะพอเราออกไป็น่องรูปแบบเราจะเผลอพอมันเผลอเราจะรู้ว่าอ้าวเมื่อกี้เราเผลอไปคิดลองลองทบทวนดูนะอ้าวเมื่อกี้เราเผลอไปคิดอ้าวเมื่อกี้เราลืมกายพอเรารู้ว่าเราลืมกายชัดใจชัดโดยธรรมชาติ กายใจจะชัดขึ้นมาโดยธรรมชาติและเราก็จะพยายามรู้สึกตัวต่อใช่ไหมลองดูดีๆนะลองทบทวนดูดีๆเมื่อใดที่เราเผลออ้าวเผลอแล้วเราก็เลยพยายามจะมีสติต่อในขณะที่เราเห็นว่าอ้าวเราเผลอไปคิดจิตเขาแอะเขาเห็นกายใจปรกากฏชัดนั่นคือสติธรรมชาตินั่นคือสติอัตโนมัติ นั่นคือธรรมชาติรู้ที่ไม่มีใครสร้างเราสร้างประเด็นที่หนึ่งเพื่อให้สติประเด็นที่สองเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อให้สติประเภทที่สองนี้นะเกิดขึ้นแต่ด้วยความคุ้นชินของเราด้วยความคุ้นชินของจิตเราเป็นความคุ้นชินที่ลึกที่สุดของมันคือคุ้นชินที่จะจัด ก, การอะไรสักเลือกคุ้นชินที่จะ ทำอะไรสักอยาก่างคือตัวอุปทานทีท่ถุกปะทานอัตวาทุปะทานมันแสดงออกโดยการที่พยายามจะทำอะไรสักเรื่องอยู่ตลอดมันพยายามที่จะแสดงความเป็นอัตตาของสิ่งต่างๆธรรมชาติตั้งหลายเป็นไตรลักษณ์เป็นอนัตตาเป็นอาศัยกระบวนการอยู่เช่นนั้นเช่นนั้นแต่จิตเรานี่แหละที่พยายามจะให้สิ่งหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่ง ผ่านการรู้สึกตัวมันเป็นความคุ้นชินเท่านั้นที่มันจะพยายามทำอะไรสักเรื่องลองสังเกตดูไอ้สองสิ่งเนี่ยเวลารู้สึกตัวธรรมชาติเกิดขึ้นสติที่ไม่ได้เจตนาเกิดขึ้นจะเห็นบ่อยนอกรูปแบบพระสติอย่างนี้เกิดขึ้นกายใจจะปรากฏชัดหูตาสว่างโดยธรรมชาติอาการโปร่งโล่งเบาง่ายตรงไปตรงมาเกิดขึ้นแวบบเดียวหลังจากนั้นสติ ที่เราคุ้นชินที่จะสร้างเขามันจะเป็นสติแบบมีน้ำหนักมีน้ำน้ำหนักหน่อยๆสติตัวเนี้ยจะเข้าซ้อนทันทีเลยกลายเป็นสติธรรมชาติได้เหตุเกิดขณะเดียวแล้วหายอีกแล้วกลายเป็นเราเข้าไปมีสติอีกแล้วตรงนี้เป็นรอยต่อที่อ่มันเป็นรอยต่อระหว่างธรรมชาติกับเกินธรรมชาติตรงนี้เป็นเหตุสาคัญ ถ้าจะพัฒนาสติให้เป็นสติธรรมชาติเราต้องเห็นรอยต่อตรงนี้บ่อยๆประเด็นแรกเลยอย่าพยายามนีสติที่จะบังคับตั้งต้นอะไรนัดขึ้นแต่ใช้รูปแบบได้ใช้รูปแบบไม่ต้องพยายามจะรู้สึกตัวไว้ให้มันเผอสะบางเพราะถ้าสติเราสร้างเหตุมาได้เต็มที่แล้วนะเฉพาะคนที่กำลังสติที่เราสร้างเหตุได้เต็มที่ ถ้าสติมันยังไม่เป็นธรรมชาติหรือมันเป็นธรรมชาติแล้วแต่มันไม่แจ้งสักทีเนี่ยส่วนใหญ่ติดตรงนี้แหละติดความคุ้นชินนี้ความคุ้นชินที่จิตมันจะกระทาอะไรสักเรื่องเนี่ยแล้วแยกมันไม่ออกมันเลยกลายเป็นจิตคุ้นชินที่จะไปบังคับจัด ก, การธรรมชาติทั้งหลายติดอยู่หน่อยเดียวแค่ตัวนี้เองวิธีการก็คือเดินธรรมชาติของเราเคลื่อนไหวไปตามธรรมชาติเวลามันเผลอถ้ามันจมนานเกินไปเผลนานเกินไปทีเนี้ยมีเจตนา ปลุกเล้าจิตให้กลับมาสนใจนี่คือองค์ของสังกัปปะในองค์มากปลุกเล้าจิตให้มันกลับมาสนใจเรื่องกายเรื่องใจเรื่องปัจจุบันปลุกเล้าขึ้นมาใหม่แล้วปล่อยไม่ธรรมชาติพอมันเผลอพอมันเป็นธรรมชาติเคลื่อนไหวอย่างธรรมชาติกายเคลื่อนไหวไม่มีใครในนั้นแล้วว่าคาเขียนชอบพูดคํานี้นะเออเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นเมื่อใดที่มันเป็นคนเป็นเมื่อใดที่มันมีเราในนั้นสติมันจะกลายเป็นอัตตาทำทั้งหลายจะกลายเป็นอัตตา พอเรปล่อยธรรมชาติทั้งหลายเกิดเดินอยู่อย่างนั้นเวลามันเผลอไปคิดอ่ามันกลายเป็นอาตานะการเผลอพอรู้สึกตัวขึ้นมาว่าเราเผลอไปคิดทีนี้มันก็เผลอมาบังคับต่อจิตเผลอสองอย่างสําหรับคนเก่าเผลอไปก็โลมเผลอไปก็หันคิดกับเผลอมาบังคับเผลอมากระทําอันนี้คือประเด็นที่สองเห็นล่องนี้ดีๆเพราะว่าการที่มีเราเข้าไป หนึ่งมีเราเข้าไปบังคับรู้สึกตัวต่อสองเฉพา ะ, ะอะมันจะมีล่องกลางที่เดินได้นะล่องกลางที่พอดีที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านชอบเทศชอบเทศกันนะนั่นเป็นล่องกลางที่พอดีมากแล้วถ้าใครเดินได้แบบนั้นไม่ต้องแก้อะไรเล ย, เ, ลยเดินแบบนั้นแหละแปบ๊บเดียวก็ถึงใช้อาศัยตามรู้กายไปเรื่อยๆแล้วสติมันก็ค่อยๆ เ, เ, เรียนรู้กายแลียรู้ใจแยกรูปแยกนามเข้าใจซ้ายเข้าใจขวาจนแยกความเป็นเราออกมาแล้วสุดท้ายจิตก็จะสลายออก ความเป็นผู้รู้ก็ดูว่าจะสลายออกเช่นกันแล้วจิตจะเดินถึงล่องพอดีเป๊ะจบแต่พวกเราที่ทํามานา น, านถ้ามันเดินเบี้ยวล่องกลางนะมันแคบมากล่องกาลางล่องพอดีมันจะแคบมากแต่ถ้าเราเดินเบี้ยวเบี้ยวซ้ายทีจมกับความคิดเกินไปเบี้ยวขวาทีคือพยายามที่จะบังคับจัดการเกินไปเราต้องตบซ้ายตบขวามันให้เข้ามาล่องกลางให้เป็นก่อนเราทูสีทำทูสีเอาความเพียรเติมเข้าไปมันตายไม่รอดหรอก มันเหมือนเราหัวชนกำแพงแล้วก็เดินอยู่เช่นนั้นแ่ะเราต้องรู้วิธีการในการปรับซ้ายปรับขวาวิธีการปรับก็คืออย่างนี้แหละถ้าคนเก่าที่ทํามาถึงจุดหนึ่งความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่เป็นธรรมชาติมันจะเกิดโดยธรรมชาติทีนี่สอนให้จิตมันเรียนรู้อาการนี้ความคุ้นชินหนึ่งที่มันโดดข้ามความคุ้นชินหนึ่งที่มันโดดข้ามนะในประเด็นที่สองอันนี้นมีรายละเอียดลึกซึ้งมากประเด็นที่สองเนี่ยมันอาตมาสรุปมันว่าถ้าสติธรรมชาติทํางาน ธรรมชาติในการเรียนรู้ตัวเองของจิตเกิดขึ้นอะไรขาดเติมเข้าไปอะไรเกินเอาออกนี่คือการบริหารองค์มรรคเมื่อจิตธรรมชาติที่เรียนรู้ตัวเองมีเกิดขึ้นโดยธรรมชาติกระทบพัรษากระทบวิจตนะความโกรธเกิดขึ้นความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นจิตมีทักษะในการเรียนรู้เรียนรู้ตัวเองเรียนรู้สิ่งที่กําลังเกิดจะเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละ ถ้าทําประเด็นที่สองได้ในขณะที่ใช้ชีวิตในขณะที่ไปนู่นมานี่ในขณะที่เป็นอยู่เรื่องภาวนาและเรื่องใช้ชีวิตจะกลายเป็นเรื่องเดียวกันมากแต่จิตจะมีทักษะใหม่แต่ที่เดิมทีเราใช้ชีวิตอย่างที่เวลาโกรธก็ท้อภาษาชอบไม่ชอบเราก็เข้าไปเป็นกับสิ่งนั้นแล้วก็ไปตกสู่อุปท า, านไปตกสู่กันยึดไปตกสู่กันพอใจไม่พอใจแล้วก็ทิ้งเชื้อเอาไว้ตลอด ถ้าจิตมันเห็นสภาวะที่กำลังเกิดกับกายกับใจโดยตัวเขาเองล่ะเขาก็จะเริ่มเท่าทันค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้ไปเหมือนเด็กใหม่ส ต, ติในระดับที่สองนี้จะกลายเป็นฝึกใหม่ส ต, ติจะกลายเป็นเด็กใหม่เลยจิตเราจะค่อยเรียนรู้ธรรมชาติของกายของใจของตัวเองไปทีละน้อยละน้อยเรียนรู้บ่อยเข้าบ่อยเข้าประเด็นที่สามจะเกิดปัญญาจิตจะเกิดปัญญาจิตจะมีอาการเมื่อนาย พร้อมที่จะวางพร้อมที่จะผ่อนถ่ายสิ่งต่างๆพร้อมที่จะยอมรับธรรมชาติทั้งหลายไม่เข้าไปจัดการไม่เข้ามาแทรกแซงไม่เข้าไปยุ่งกับธรรมชาติทั้งหลายเพราะเขาเข้าใจว่าธรรมชาติทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นแหละคือความเข้าใจในใจรักนั่นแหละผลของการเข้าใจใจรักของจิตคือการยอมรับนะถ้าเราภาวนามากเข้าเราเห็นนั่นเห็นนี่แต่จิตไม่ได้ยอมรับอะไรเลยจิตเรากลับเสริม ความรู้เสริมความเข้าใจเสริมความเป็นอัตตาตัวตนนั่นแสดงว่าจิตเข้าใจธรรมชาติไม่ถูกสแสดงมันเข้าใจธรรมะไม่ถูกธรรมะที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่ธรรมะจริงถ้าจิตเข้าใจธรรมะจริงจิตเข้าใจธรรมชาติทั้งหลายมากขึ้นเราจะสัมผัสได้ว่าจิตเรามีอาการยอมรับในทุกๆสิ่งแม้แต่ตัวเองแม้แต่อารมณ์โกรธเกิดขึ้นกับตัวเองจิตก็จะยอมรับอารมณ์นั้นด้วยจะไม่พยายามทําให้อารมณ์นั้นหายไปเพราะเขารู้ว่าธรรมชาติทั้งหลายเป็นอนัตตา จัดการให้หายไม่ได้ท่าทีของจิตต่อสิ่งต่างๆจะค่อยๆเปลี่ยนนี่เป็นลักษณะของประเด็นที่สามคือประเด็นของปัญญาจิตปัญญาจิตจะมีอาการมีหน้าที่มีกระบวนการที่ไปสลายตัณหาและอุปทานหน้าที่เขาสลายตัณหาและอุปทานนะหละวง่เทียนเรียกมันว่าเมื่อมีสติมันเห็นความจริงของกายของใจมันจะเบาขึ้นยี่สิบกิโล เบาขึ้นสามสิบกิโลอาการเบาขึ้นของจิตนั่นแหละคือการสลายตัวลงของตัวอุปทานอุปทานมันคือแรงยึดคือทิฏฐิที่ทําให้จิตมันออกไปปะทะต่อสิ่งที่เกิดตัวสาเกิดขึ้นจิตไม่ชอบจิตมันไม่ชอบมันก็ได้เชื้อใการผลักมันก็พยายามผลักออกได้แรงที่จิตเราเข้าไปปะทะต่อธรรมชาติทั้งหลายนั่นแหละคือแรงอุปทานตัวที่จะสลายมันได้คือปัญญาจิตเท่านั้น ปัญญาจิตเท่านั้นปัญญาจิตเป็นธรรมชาติที่เราสร้างขึ้นไม่ได้เคยฟังเทปของพ่อมหามีอันหนึ่งที่ท่านบอกว่ า, อ, าอะไรนะวิปัส น, นาญาณปัญญาญาณเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นไม่ได้นั่นแหละปัญญาญาณอาศัยเหตุเกิดคืออะไรคือธรรมชาติเรียนรู้ตัวเองของจิตใช่ไหมธรรมชาติเรียนรู้ตัวเองของจิตสติสมาธิอุเบกขา ที่เขาแยกออกมาจิตมีธรรมชาติในการเรียนรู้สติมันต้องแยกเป็นสามัชัญญาด้วยนะส่วนใหญ่ที่เราภาวนามนานานๆแล้วมีสติเห็นหมดเท่าทันหมดรู้หมดแต่ปัญญาไม่เกิดเพราะมีแต่สติมันเหมือนระฆังอันเนี้ยถ้าเราจับมันไว้แน่นๆเนี่ยเราเคาะมันจะดังเป้งไอ้ดังเป๊งนั่นแหละคือสติแต่ถ้าเราเอาวางบนมือแล้วก็เคาะเป่งมันจะดังเป่งอาการงึ้งของมันเน คืออาการของสัมปทัญญะหลอดไฟนะ่ะแสงสว่างของมันนะ่ะคือตัวสัมปทานยะเราอาศัยตัวนี้แต่ถ้าสติมันถูกคุมมากเกินไปถูกบังคับให้มีสติมากเกินไปมันมีสติมันเห็นมันเท่าทันแต่มันไม่ตื่นมันไม่เกิดปัญญาเพราะสัมปทามยนทำงานไม่ได้สติสมาธิอเบคาสมาธิเป็นสมาธิของวิปัสนาคือการที่ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นใจมันก็ยัง มั่นอยู่กับตัวเองเรียนรู้ตัวเองไปได้อุเบกขาคือความเป็นกลางของจิตที่จะไม่เข้าไปจัดการอะไรธรรมชาติทั้งหลายเรานั้นไม่มีเราในนั้นอุเบกขาคือตัวนี้ไม่ใช่อุเบกขาคือไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราก็เฉยก้มหน้าจิตเฉยเซฟตัวเองอยู่ในเซฟโหมดคนส่วนใหญ่ก็เป็นอีกอาการหนึ่งเกิดอาการที่มีสติแล้วเข้าเซฟโหมดไม่นคนเซฟโหมดคือมีอาการที่ทําให้ตัวเองเป็นนิ่งๆไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นโธ่จะเกิดขึ้นก็ดับ ความคิดเกิดขึ้นก็ดับและจิตก็เซฟโหมดอยู่อย่างนั้นแล้ น, นี่นานไปจิตก็จะเข้าไปอยู่ในเซฟโหมดเซฟโหมดมันคือภาษาที่เขาเรียกอะไรนะเข้าไปเป็นพรมลูกฟักไปเป็นอะไรพอนั้นแหละคือมันทําให้กายเป็นจิตเป็นอาการหนึ่งไปแทนที่จิตจะได้อาศัยเรียนรู้ธรรมชาติทั้งหลายแล้วเกิดปัญญาแล้วไปถอนตัวตัวตนหาอุปทานจิตมันอาศัยกันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นลูกโซ่เป็นปฏิจจุบุญบาทปฏิจจุบุญบาทคือการเป็นเหตุเป็นผลของกันและกัน มันล้วนเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันไม่มีเราในบทอนาตตาบอกเลยว่าไม่มีเราในนั้นหน้าไหนที่มีเราต้องเห็นมันดีๆอาการของตัวเนี้ยต้องค่อยๆไปไล่อาการของตัวธรรมชาติตัวนี้นะต้องค่อยๆไปไล่ว่าแต่ละคนอยู่ตรงไหนเบี้ยวตรงไหนบิดตรงไหนตัวนี่คือชุดภาพรวมของมันแในการภาวนาอันเนี้ยมีอีกอย่างหนึง่งที่อาจย์มาอยากพูดให้ฟัง เราเคยเห็นในบทสวดในอะไรทั้งหลายแล้วก็วิธีการที่เราภาวนาเนี่ยเราเคยเห็นของพระป่าท่านทำใช่ไ้มใช้สมาธิเยอะๆแล้วก็ถอนออกมาแล้วก็พิจารณาให้จิตเห็นนั่นเห็นนี่เห็นความเป็นจริงโดยผ่านแยกธาตุแยกขันพิจารณาอาสุภะ อันนั้นเป็นหนึ่งในวิธีการนะที่พุทธเจ้าก็แสดงไว้ว่าทำแบบนั้นได้แต่ไม่ใช่การไปทาให้จิตเป็นอะไรไม่ไม่ใช่การไปทาให้จิตเกิดเป็นอ่าไม่ใช่การไปทาให้จิตมันปล่อยวางเพียงแต่ใช้กำลังของสมาธิจิตมันเหลือล่องเดียวในในอารมณ์สมาธิลึกๆจิตจะเหลือล่องเดียวไม่สัดสายไม่คิดไม่ฟุ้งซ่านแล้วค่อยๆน้อมนํา คือการขึ้นวิปัสนาของพระป่าเขาจะน้อมนําให้จิตมันเห็นความเป็นจริงจนจิตมันเกิดการเชื่อไอ้นั่นเข้าไปฝังทิฏฐิใหม่ให้จิตจนจิตมันเชื่อแล้วเห็นจริงตามนั้นปัญญามันเกิดปัญญามันเกิดจากการที่มันเชื่อมันสลายทิฏฐิเดิมคือแรงคิดว่าเรามีอยู่มันก็ไปสลายทิฏฐิตัวเนี้ยสลายทิฏฐิตัวนี้ปัญญาเกิดมันก็ไปสลายตัณหาอุปทานต่างกันโดยกระบวนการขั้นแรก ในกระบวนการขั้นสามเป็นกระบวนการเดียวกันคือจิตเกิดปัญญาเพราะบทเรียนที่ท่านให้มันในระดับสมาธิในระดับกำลังจิตแบบนี้เรียกว่าเจโตวิมุตตการปรวนาและการสลายกิเลสสลายกระบวนการเหล่านี้ด้วยกระบวนการที่เรียกว่าเจโตวิมุตตเจโตวิมุตตดีสาหรับจะมีวิธีการอย่างหนึ่งคือนำเสนอบทเรียนให้จิตมีการนำเสนอบทเรียนให้จิต นั่นคือแบบเจตวิมุตต์ถ้าแบบปัญญาวิมุตต์คือจะแบบพวกเราทำแบบพวกเราทำแบบเจริญสติเนี่ยในสติปัฏฐานแสดงไว้ทั้งสองแบบนะในว่าด้วยเรื่องกายท่านจะมีเรื่องการพิจารณาสุภาพิจารณาธรรมในองค์สัมพุทชงบางเรื่องล้วนเป็นการปรับสมดุลอย่างพิจารณากายในสติปัฏฐานสูตรจะเป็นวิธีของที่เรียกว่าเป็นเจโตวิมุตต์คือนําเสนอให้จิตเห็นจนจิตเบื่อหน่าย ปัญญาเกิดมันก็เบื่อหน่ายแล้วก็วางลงสลายความยึดมั่นถือมั่นลงในแบบพวกเราทำมันตัดออามาแค่บางส่วนเท่านั้นพอเป็นวิธีของปัญญาวิมุตต์ปัญญาวิมุตตคือสร้างเหตุเกิดให้ธรรมชาติเรียนรู้แล้วที่เหลือให้ธรรมชาติเรียนรู้ทำหน้าที่ของเขาในธรรมชาติทั้งหลายเหล่านั้นเราอยู่วงนอกเราอยู่โดยสมมติเราคือการเดินมั่ บริหารจัดการองค์ประกอบให้จิตให้ธรรมชาติเรียนรู้เนี่ยทำหน้าที่ให้ได้สมบูรณ์ให้ธรรมชาติเรียนรู้ของจิตเดินได้เดินกระบวนการของเขาได้อย่างธรรมชาติอะไรเกินให้รู้แล้วก็เอาออกซะส่วนใหญ่ที่เกินคือการจัดการคนที่เป็นนักจัดการภาวนาแล้วรู้ทำยากเดิมทีอาตมาไม่น่ารู้ทำด้วยซ้าอาตมาเป็นคนที่ชอบจัดการมากฟุ้งซ่านมาก จัดการมากอยากได้ผลก็เลยมาเดิมทีเป็นแบบนั้นเลยนะยิ่งภาวนาสองปีแรกที่แพทยเนะ่ะความเป็นตัวตนของเรามันบังทิฏิสัมมาทิฏิไม่เกิดได้แต่ความเพียรเพราเราเป็นนักจัดการเกินไปมันเลยกลายเป็นการเอาผลชนิดหนึ่งเกินไปเกิดการบังคับให้จิตเป็นสิ่งหนึ่งตลอดเกินไปนี่แหละคือกระบวนการมันปัญญาแบบปัญญาวิมุติเนี่ยเราไม่ต้องไปนําเสนออะไรให้จิตเลย ไม่ต้องไปสอนบทเรียนอะไรให้จิตให้จิตเรียนรู้ตัวเองอย่างเป็นธรรมชาตินั่นแหลยในกระบวนการของพระป่าก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะที่ท่านใช้กระบวนการแบบเจต ว, วิมุตต์เมื่อวานจะมาอ่านในข้อความในอินเทอร์เน็ตมีคนสรุปของปูดุลเอาไว้ท่านก็ใช้สรุปมันลักษณะเนี้ยลักษณะที่ใช้ฐานหนึ่งทำให้สติเกิดฐานของสมาธิเมื่อสติสมาธิเกิดขึ้นใช้มันในการดู ได้ดูพฤติของจิตท่านเรียกว่าพฤติของจิตไม่ว่าจิตมันจะทําอะไรคิดรู้สึกจัดการก็คแค่ดูว่ามันทําอะไรพุทธเจ้าเลยเจอว่ามีการกระทําไม่ได้งั้นปล่อยให้ธรรมชาติทั้งหลายทําหน้าที่ของตัวเองพอมันทําหน้าที่ของตัวเองพระเจ้าก็ค่อยค่อยเห็นความเป็นกายความเป็นใจจนมันถึงลุ่งลุ่งยามยามลุ่งเช้าพุทธเจ้าเห็นว่า อวิชชาปัจจยาสังขารปัจจยาภาษาปัจจยาอสายอตนาปัจจยาภาษาปัจจยาสลายอตนะคือความมีอยู่ของกายของใจของภาษาของอจตนะเนี่ยและภาษาภายนอจตนะภายนอกลมความยินอะไรทั้งหลายมันกระทบกายความรู้สึกเกิดขึ้นเวทนาปัจจยาความรู้สึกผ่านกายผ่านใจเราเกิดขึ้นมันมีสิ่งเหล่านี้อยู่โดยธรรมชาติอยู่แล้ว จิตเราที่เคลื่อนไปยุ่งกับธรรมชาติทั้งหลายเหล่านั้นอันเนี้เกินธรรมชาติอันนี้เป็นส่วนเกินที่ทําให้ธรรมชาติทั้งหลายถูกแทรกแซงพุทธเจ้าเห็นส่วนเกินว่ากระบวนการต่อจากนั้นมีการมีตัณหามีความชอบไม่ชอบมีการเคลื่อนตัวของจิตไปยุ่งกับธรรมชาติอ่ามันส่งต่อไปเป็นความยึดพุทธเจ้าเห็นรอยต่อระหว่างสิ่งที่เป็นธรรมชาติและสิ่งที่เกินธรรมชาติ ตันหาเป็นธรรมชาติของความมีเราแต่ไม oh ่ใช่ธรรมชาติของต้นไม้ไม่ใช่มธรรมชาติของดินน้ำลมไฟเป็นธรรมชาติของอุปทานอุปทานนั้นทําให้เก huh ินธรรมชาติจากธรรมชาติทั้งหลายขึ้นมาเพราะมีอุปทานเลยมีทุกมีสุขมีพบมีชาติมีชรามีมีมรณะลูกน้องก็เป็นขโยงเลยที่ได้เหตุนี้เข้าไปพระเจ้าเลยเห็นว่าอ้อธรรมชาติทั้งหลายเกินธรรมชาติแค่มีจิตเคลื่อนเข้าไปยุ่งกับธรรมชาติทั้งหลาย อันนั้นของพระเจ้าแล้วของเราพระเทียน่เราพระเทียนเห็นอะไรถ้าเราไปยืนอ่านดีๆเราพระเทียนมีอันนึงที่อยู่ข้างหลังเราตรงเนี้ยหลวงพระเทียนเดินจงกรมในวันที่สองใช่ไหมมีตะขาบวิ่งผ่านสัญญาเก่ามันผุดทันทีว่าท่านเคยโดนตะขาบต่อยแล้วท่านแพ้มากท่านก็เลยเอาเทียนไปส่องพอเห็นว่าตะขาบไม่มีท่านก็เลยกลับมาเดินจงกรมต่อ กำลังจิตแบบหลวงพระเทียนเป็นกําลังที่ท่านได้ฐานของสมถะมันแน่นมากกําลังของสติสมาธิอุเบกขาสูงมากกําลังทั้งสูงมากพอท่านเดินขึ้นหลานจงกรมจิตก็เป็นธรรมาชาติทั้งหลายง่ายๆมีความเป็นอนัตตามีความเป็นสมดุลพอดีองค์มัชย์ยังบริบูรณ์ไม่มีใครในนั้นแล้วพอความคิดเกิดขึ้นวูบหนึ่งหลวงพระเทียนรู้สึกเหมือนคนผักท่าน มีการเคลื่อนตัวของธรรมชาติมีการเคลื่อนตัวของจิตเข้าไปวูบหนึ่งท่านเห็นทันทีแค่สองวูบท่านเห็นเลยแล้วขาดชูดออกเลยเห็นอาการเดียวกันอาการที่จิตเคลื่อนตัวไปตามความคุ้นชินของเขาเห็นแค่ขนาดแค่นี้แหละแล้วมันก็ขาดพอมันขาดออกธรรมชาติทั้งหลายจะกลายเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนั้นเวลาจิตเคลื่อนตัวไปยุ่งกับธรรมชาติทั้งหลายก็จะเห็นอีก ถ้าจิตก็จะสลายตัวเองออกธรรมชาติแห่งการตื่นรู้ก็ปรากฏธรรมชาติแห่งการตื่นรู้ธรรมชาติแห่งจิตพุทธะจิตที่อยู่เหนืออารมณ์อยู่เหนือการกระทําอยู่เหนือการเคลื่อนตัวไปยุ่งกับธรรมชาติทั้งหลายสิ่งที่บังธรรมชาติตัวนี้คือการเคลื่อนตัวไปกระทําอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นความคุ้นชินเท่านั้นตรงเนี้สำคัญนะเราภาวนามาถ้ามันมีสติ มีสัมมัญญะดีๆจะมีอาการตื่นรู้อยู่ในตัวแล้วเราจะเห็นอาการนี้ไปเรื่อยๆแล้วจิตจะค่อยๆลอกออกลอกออกอาการตื่นรู้อาการที่สติสัมมัญญะทำงานไปเรื่อยๆจิตที่หลุดจากการจัดการจิตที่หลุดจากการกระทามาปลายเป็นสูญจิตที่เป็นอปยากฤตคือกลางๆไม่มีใครในนั้นจะปรากฏมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ถ้าเราวางใจไม่ถูกแล้วบิดเบี้ยวอย่างเดินแล้วมัน มันพยายามคุ้นชินกับการบังคับให้ตัวเองมีสติจนกลายเป็นความคุ้นชินใหม่ที่จิตพอเวลาเห็นเผล่มันก็จะพยายามมีสติอันนี้จะกลายเป็นล่องความคุ้นชินใหม่ที่ไปบังจิตพุท ธ, ธะเราต้องแก้มันออกโดยการเห็นมันบ่อยๆเห็นว่าตรงนี้มันมีรอยต่ออยู่คนเก่าๆลองสังเกตดีๆเวลาเราเดินๆเวลาเราเผลอเทคนิคอันตรามะนะถ้าเราความเพียรเราเต็มที่เนี่ยปล่อยให้มันเผลอบ่อยๆ ไม่ต้องสนใจเรื่องภาวนาอะไรมากกลับไปใช้ชีวิตปกติปล่อยให้มันเผลอบ่อยๆเพื่อให้จิตมันเห็นว่าเวลาเผลอสติธรรมชาติมันจะได้ทํางานได้เปิดโอกาสให้ธรรมชาติที่เรียนรู้ตัวเองที่ได้เหตุอย่างสมบูรณ์ได้กําลังเต็มที่เนี่ยเขาปรากฏตัวได้พอเขาปรากฏตัวได้มันจะมีอาการเบาโลคง่ายสบายจะปรากฏมาด้วยแล้วในอีกหนึ่งขณะต่อมามันจะกลายเป็นความรู้สึกตัวแบบแน่นๆความรู้สึกตัวแบบน้ําหนักมีน้ําหนักขึ้นมาทันที ให้จิตสังเกตสองอาการนี้ให้ชัดๆพอก็เห็นอาการสองอาการนี้ชัดๆเลิกก่อนไม่ต้องทำอะไรต่อหยุดก่อนออกไปที่อื่นผัสสะอวิทยาณะวางการรู้สึกตัววางการสนใจที่จะเห็นจากข้างในวางมันลงให้จิตมันขาดออกเคยเห็นของบ้านพรัมใช่ไมเขาจะตีะระฆังเม้งทุกสามนาทีเราให้หยุด การหยุดของเขามันเป็นการหยุดจากข้างในให้จิตตื่นขึ้นจากเรื่องที่กําลังจมไปเมื่อกี้เมื่อกี้กําลังคิดกําลังรู้สึกกาลังนวนเนี้อกำลังพยายามอะไรบางอย่างแล้วขังตีไม่หยุดจากข้างในให้จิตตื่นขึ้นจากการกระทําเมื่อใดที่เราทําเรื่องนี้ได้เมื่อใดเราเข้าใจตัวเนี้ยเข้าใจการตามเข้าใจการเห็นเข้าใจการปลุกตัวเองให้ตื่นเรื่องภาวนาเรื่องเจริญสติจะง่ายมากแต่ถ้าเราพยายามแล้ว เกิดจากการพยายามกับังคับพยายามกระทำกระทำให้จิตเป็นบางอย่างกระทำให้สติเป็นอะไรบางอย่างเมื่อนั้นเราจะเข้าใจการตื่นรู้ยากเราจะมีสติจะสมชัญยะจะไม่ค่อยมีกระบวนการเรียนรู้ตัวเองของจิตก็จะมีครึ่งหนึ่งแต่มันจะไม่แจ้งออกมันจะไม่หายสงสัยในเรื่องภาวนาเราจะไม่ ไม่ปาให้สามารถการันตีได้ว่าเราเข้าใจเรื่องภาวนาเราจะยังมีข้อสงสัยในเรื่องเหล่านี้วิชาพุทธเจ้านะ่ะเป็นวิชาที่ครบถ้วนบริบูรณ์จบสิ้นแล้วไฟแก้ได้ไหมอไมททำยังไงได้บ้างทำอะไรไม่ได้ดี <laughs> ถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้วิชาของพุทธเจ้าเป็นวิชาที่จบสิ้นเบ็ดเสร็จในตัวไม่ต้องการการเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นเข้าไปไม่ว่าใครจะเข้าถึงได้จากแง่มุมไหนจากเทคนิคแบบไหนต่างกันแค่เทคนิคต่างกันแค่ประสบการณ์แต่ถ้าเข้าถึงเรื่องนี้ด้วยกันมันจะฟังกันออกหมดเลยว่าอ้อนี่แหละกระบวนการของพุทธเจ้า แกนหลักมันมีแค่เนี่ยแกนหลักมัน ม, pane, มันมีอยู่สองแบบนี่แหละคือทําให้มันไม่เป็นไม่ไม่มีใครในนั้นให้มันเป็นธรรมาชาติทั้งหลายเรียนรู้ธรรมชาติทั้งหลายให้ได้แกนหลักมีแค่นี้ส่วนเทคนิคที่จะทำยังไงให้มันเป็นธรรมาชาติทั้งหลายเรียนรู้ตัวเองไอ้นั่นต่างที่เรียกว่าวิธีการที่เรียกว่าเทคนิคที่เรียกว่าครูบาอาจารย์นําเสนอประสบการณ์ต่างๆกันไปไอ้เรื่องเหล่านี้เขาประยุกได้วิชาวุทธเจ้าไปหยิบแค่บางส่วนเข้ามาแล้วทําให้จิตเข้าถึงความเป็นแบบนี้ให้ได้ ที่เหลือจบสิ้นไม่ต้องเติมอะไรเข้าไปวิชาพุทธเจ้าพิสดานเรื่องนี้ความรู้ใหม่ๆในมนุษย์โลกยังต้องการการเรียนรู้ใหม่ๆไปเรื่อยๆต่อยอดไปเรื่อยๆของพุทธเจ้าไม่ต้องแล้วถ้าจับแก่นนี้ได้นะจับเคล็ดตรงนี้ได้การภาวนาจะไวแต่กว่าที่จะเข้าถึงนี่แหละจริงๆมันมีเดินดูสามเก้าเท่านั้นที่จะมาไล่ฟังแต่พวกเราเดินกันเป็น 300, 3, 000, 3, 000, สามร้อยสามพันสมล้านเก้าสาเหตุที่ทําให้เราแต่ละคนเดินแล้วสามเก้าไม่ถึงเนี่ย เพราะความเป็นเราทั้งนั้นแหละ <c oughs> พอเข้าใจเรื่องนี้อาตมาเคยโมโห อ, อยู่นะ <c oughs> ทำไมมันง่ายๆทีนี้ครูบาอาจารย์ทำไมไม่สอนให้มันตรงๆง่ายๆอย่างนี้ทำไมพาเราไปบิดเบี้ยออกตั้งนานแล้วก็มานั่งนึกดูอ้าวเขาก็พูดหมดแล้วนี่หว่า <c oughs> โยมพิคุณก็บอกรู้สึกตัวตัวเดียวคือสร้างธรรมชาติรู้ให้มันเกิดขึ้นตัวเดียวอาจารย์คงกี่อาจารย์กสินนั่นก็บอกเรื่องเหล่านี้ทั้งนั้นแต่เราไม่สามารถแปลสัญญาณเขาออกมาได้เราจะแปลสัญญาณคนอื่นโดยสัญญาของเรา ความคิดความเข้าใจของเราเลยทําให้เราเดินบิดเบี้ยวแต่เราคนมีจลิตนิสัยยังไงบิดเบี้ยวซ้ายบิดเบี้ยวขวาสิ่งเหล่านั้นจะพาเราออกมันจะกลายเป็นอุปสรรคที่ทําให้เราเข้าใจความจริงอย่างตรงไปตรงมาซื่อตรงตรงไปตรงมาอย่างเนี้ไม่ได้แต่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ปัญหาสิ่งเหล่านั้นเป็นหนึ่งในกระบวนการเท่านั้นความเป็นเราที่ทำให้เราเดินซ้ายทีเดินขวาทีเดินเบี้ยวไปเดินเบี้ยวมาไม่ใช่อุปสรรคนะเป็นหนึ่งในกระบวนการการเรียนรู้เท่านั้นแหละ แต่ถ้าเราเข้าใจในกระบวนการในเส้นทางของสิ่งเหล่านี้ตรงๆเนี่ยแล้วค่อยๆตบซ้ายตบขวาแกะซ้ายแกะขวาแล้วเราจะเดินได้อย่างสมบูรณ์จะง่ายไฟไม่มาก็สวดมันยังไฟไม่มาเนี่ยเนาะอะท้ายที่สุดนี้ขอให้ทุกๆคนเข้าใจธรรมชาติทั้งหลายเข้าใจสิ่งที่ตัวเองทําปลุกเร้าธรรมชาติรู้ เข้าถึงจิตพุท ธ, ธะที่มีอยู่ในเราทุกคนค้นเจออาการปรกติค้นเจอจิตพุท ธ, ธะที่มีอยู่ในเราทุกคนด้วยกันทุกคนทุกท่านเทิญ